จะมวักหนึ่งวิมุตติคาถาว่าด้วยความหลุดพ้น418สกวิมุตติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปอร์ใช่สกวิมุตติยานทั้งหมดนั้นชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิมุตติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปอร์ใช่ สกไปเจ้าวทขณะยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิมติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สกวิมุติยานของโคตรภูบุคคลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิมติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธ์ ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สกยานของพระโสดาบันเป็นยานของผู้ถึงได้บรรลุทําให้แจ้งโสดาปฏิพนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิมุติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิพนชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สกยานของพระสกะทาคามี เป็นยานของผู้ถึงได้บรรลุทาให้แจ้งสกธาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิมุติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สกยานของพระอนาคามีเป็นยานของผู้ถึงได้บรรลุทาให้แจ้งอนาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สกยานของพระอรหันต์เป็นยานของผู้ถึงได้บรรลุทําให้แจ้งอรหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น419สกวิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยโสดาปฏิพันธ ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สกวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิมุตติยานของบุคคลผู้พร่างพร้อมด้วยส ก, กทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สก วิมุติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิมุติยานของบุคคลผู้พร aciones, ั่งพร้อมด้วยอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สกวิมุติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิมุตติยานของบุคคลผู้พร่างพร้อมด้วยอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรใช่สกวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๔๒๐สก วิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยโสดาปฏิพล์ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรใช่สกวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพัธ์ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก วิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลชใช่ไหมปรใช่สกวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสค วิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปอรอใช่สกวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก วิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมป ร, รใช่สกวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นวิมุตติคาถาจบ ส อ, อเอขจยานาัคขาว่าด้วยยานของพระอเอเจคะ421สกพระเอขะมียานของพระอเสขะได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระเอเะย่อมรู้ธรรมของพระอเอเสขะเข้าถึงธรรมของพระอเอเสขะที่ตนเห็นรู้ทำให้แจ้งแล้วถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระเสขาไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอาเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอาเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องด้วยใายอยู่มิใช่หรือปรใช่สกหากพระเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอาเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอาเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องด้วยใายอยู่ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระเสขามีญาณของพระอเสขาได้สกพระอเสขะมีญาณของพระอเสขาได้พระอเสขาย่อมรู้ย่อมเห็นธรรมของพระอเสขะย่อมเข้าถึงธรรมของพระอเสขาที่ตนเห็นรู้ทำให้แจ้งแล้วถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระเสขามีญาณของพระอเสขาได้พระเสขาย่อมรู้ ย่อมเห็นธรรมของพระอาเสขะย่อมเข้าถึงธรรมของพระอาเสขะที่ตนเห็นรู้ทําให้แจ้งถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๔๒๒สกพระเสขะมียานของพระอเซขะพระเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอาเสขะเมื่อเข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทําให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหม ปร ujin. ใช่สกพระอเสขะมียานของพระอเสขะพระอเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้อああงด like ้วยกายอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระเศขะมียานของพระอเสขะได้ใช่ไหมปรใช่สก โคตรภูบุคคลมียาในโสดาปฏิมาคได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลมียาในโซดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลมียาในอรหัตผลได้ใช่ไหม ปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น423ปอรอท่านไม่ยอมรับว่าพระเสขะมียานของพระอเสขะได้ใช่ไหมสกใช่ปอรอท่านพระอานนท์ยังเป็นพระเสขะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระคุณอันยิ่งพระสารีบุตรเทระพระมหมาโมคลานะเทระต่างก็มีคุณอันยิ่งไม่ใช่หรือสกอใช่ ปอรอหากท่านพระอานนท์ยังเป็นพระเสขะรู้ว่าพระผู้มีประาพาสทรงมีพระคุณอันยิ่งพระสารีบุเทระพระมหาโมคลานเถระต่างก็มีคุณอันยิ่งดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระเสขะก็มียานของพระอเสขะได้อะเสขะยานะถาจบ 3. วิปริตะถาว่าด้วยยานวิปริต 424สกยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์วิปรสสิตได้ใช่ไหมปอรอใช่สกความวิปลาสในสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความวิปลาสในสภาวะธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอตตา่าที่ไม่งามว่างามได้มีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์วิปริทได้ใช่ไหมปรใช่สอกอยานเป็นอคุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอเป็นคุศลม่ใช่หรือปรใช่สอกอหากยานเป็นคุศลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์วิปริตได้สกความวิปลาสในสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงว่าเทียงและความวิปลาสนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์วิปริตได้และยานนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 ยาของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์วิปัสสิตได้และยานั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกความวิปลา ส, สในสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงและความวิปลาสนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยาของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์วิปรสสิตได้และยานั้นเป็นอกุศลใช่ไหม ปอรอใช่สกความวิปลาสในสภาวะธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาที่ไม่งามว่างามและความวิปลาสนั้นเป็นกุศลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น426สกยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกระสินเป็นอารมณ์วิปริตได้ใช่ไหมปอรอใช่สก พระอรหันต์เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกหากพระอรหันต์เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ท่านก็มีควรยอมรับว่ายางของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์วิปริตได้สกยางของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์วิปริตได้ พระอรหันต์พึงเข้า hey. สมาบัติที่มีปัทวีภศิลป์เป็อนอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกความวิปลาสของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความวิปลาสของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่คว <ค lidt S 2> รกล่าวอย่างนั้น สกสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความวิปลาสของพระอรหันต์มีอยู่427ปรท่านไม่ยอมรับว่า ยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์วิปริตใช่ไหมสกใช่ปรปัทวีคสินย่อมปรากฏแก่ผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นดินล้นล้วนใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั сама, ้นปรดังนั้นยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์จึงวิปริตสกยานของผู้เข้าสมาบัติ ที่มีปฐวีขจรเป็นอารมณ์วิปริริใช่ไหมปรใช่สกดินมีอยู่และบางคนที่เข้าปฐวีขจรจากดินก็มีอยู่มิใช่หรือปรใช่สกหากดินมีอยู่และบางคนที่เข้าปฐวีขจรจากดินก็มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีสินเป็นอารมณ์วิปปิริได้สกดินมีอยู่ และยานของผู้เข้าปฐวีกสินจากดินวิปริตใช่ไหมปรใช่สกนิพพานมีอยู่แต่ยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จากนิพพานข้อวิปริตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกดังนั้นท่านจึ ง, จงมีควรยอมรับว่ายานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้ วิปริตะกถาจบ 4. นิยามคกถาว่าด้วยนิยาม 428. อย่สอกอบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปอรอใช่ สกบุคคลผู้แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้แน่นอนไม่มีญาณเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหม ปรใช่สกบุคคลผู้แน่นอนมียามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั Four ้นสกบุคคลผู้แน่นอนไม่มียามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีญาณเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สี่รอยี่สิบเก้าสกบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีนิยามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีสติปัญญา มีสัมมประธานมีอิทธิบาทมีอินทรีย์มีพละมีพ่ชงเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีนิยามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีนิยามเพื่อไปสู่นิยามท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้สกบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีสติปัะฐานไม่มีโพชงเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมบรใช่สกหากบุคคลผู้ไม uh er ่แน่นอนไม่ม er ีโภชงเพื่อไปสู่นิยามท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้430สก บุคคลผู้ไม่แน่นอนมียาเพื่อไปสูญนิยามได้ใช่ไหมปรใช่สกโคตรพูบุคคลมียาในโสดาปฏิมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลมียาในโสดาปฏิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกธาคามิผล อนาคามิผลอรหัตผลมียานในอรหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น431ปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียาเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ว่าบุคคลนี้จะ ก, ก้าวลงสู่สมมตินิยามควรเพื่อบรรลุธรรมได้มิใช่หรือ สกใช่ปรหากพระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ว่าบุคคลนี้จะก้าวลงสู่สมมตินิยามควรเพื่อบรรลุทมได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้นิยามมรราจบหปฏิสัมพิทากถาว่าด้วยปฏิสัมพิทาสี่ร้อยสามสิบสองสก ญาณทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรใช่สกสมมติญาณเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมมติญาณเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรใช่สกชนเหล่าใดรู้สมมติชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ยานทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรใช่สกเจโตปริยญาณ ย, ยานที่กําหนดรู้ใจผู้อื่นเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเจโตปริยญาณเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรใช่สกชนเหล่าใดรู้จิตของผู้อื่นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงปฏิสัมพิทาใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกญานทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิ no. ทาใช่ไหมปรใช่สกปัญญาทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัญญาทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรใช่สกผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสิลเป็นอารมณ์มีปัญญา ปัญญานั้นเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้เข้าสมาบัติที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์มีเตโชกสินเป็นอารมณ์มีวายโยกสินเป็นอารมณ์มีนีลกสินเป็นอารมณ์มีปีตากสินเป็นอารมณ์มีโลหิตตกสินเป็นอารมณ์มีโอทาตากสินเป็นอารมณ์มีอากาสานัญ ญ, ญาตนะเป็นอารมณ์ มีวิญญาณัญจายตนะเป็นอารมณ์มีอาคีนจัญญายตนะเป็นอารมณ์มีเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ถวายทานจีวรบินทบาตเสนาสนะถวายคีฬานปัจจัยเพศบริขารมีปัญญาปัญญานั้นเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสี่ร้อยสามสิบสามปอรรท่านไม่ยอมรับว่า ยานทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมสกใช่ปรโลกุตระปัญญามีอยู่โลกุตระปัญญานั้นไม่เป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นยานทั้งปวงจึงเป็นปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาคถาจบ 6. สมมุติยานคถาว่าด้วยส ม, มุติยาน 434. ปรท่านไม่ยอมรับว่าสมมุติญาณมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกใช่ปรผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์มียานอยู่และปัทวีคสินเป็นสมมติสัจจะใช่ไหมสกใช่ปรหากผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์มียานอยู่ และปฐวีกสินเป็นสมมต you. You ิส <medi> <Ti> ัจจะดัง huh. น <medi> ั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสมมติญาณมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ปรท่านไม่ยอมรับว่าสมมติญาณมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกอใช่ปอรผู้เข้าสมาบัติที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์มีเตโชกสินเป็นอารมณ์ ผ ok ู้ถวายคีฬานปัจจัยเพศบริขารมีญาณอยู่และคีฬานปัจจัยเพศบริขารเป็นสมุติสัจจะไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากผู้ถวายคีฬานปัจจัยเพศบริขารมีญาณอยู่และคีฬานปัจจัยเพศบริขารเป็นสมมติสัจจะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสมุติญาณมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีคำอื่นเป็นอารมณ์ สี่ร้อยสามสิบห้าสกสมมติยานมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลกำหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสมมติยานกถาจบเจ็ดจิตตารมณกถา ว่าด้วยยานมีจิตเป็นอารมณ์436สกเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกบางคนรู้ชัดจิตที่มีราคะว่าจิตมีราคะมีอยู่มิใช่หรือปรใช่สกหากบางคนรู้ชัดจิตที่มีราคะว่าจิตมีราคะมีอยู่ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์สกบางคนรู้ชัดจิตที่ปราศจากราคะว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหักตะจิตไม่เป็นมหักตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตไม่มีจิตเอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นว่าจิตไม่หลุดพ้นมีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากบางคนรู้ชัดจิตที่ไม่หลุดพ้นว่าจิตไม่หลุดพ้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธําอื่นเป็นอารมณ์437สก ยานที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณใช่ไหมปอรอใช่สกหากยานที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมเอื่นเป็นอารมณ์สกยานที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีเจตนาเป็นอารมณ์ มีจิตเป็นอารมณ์มีศรัทธาเป็นอารมณ์มีวิริยะเป็นอารมณ์มีสติเป็นอารมณ์มีสมาธิเป็นอารมณ์มีปัญญาเป็นอารมณ์มีราคะเป็นอารมณ์มีโทสะเป็นอารมณ์มีโมหะเป็นอารมณ์มีอนุตตปะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณใช่ไหมปอรรใช่สกหากญาณมีอนุตตปะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่า เจโตปริยญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์สกญาณที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ไม่ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณใช่ไหมปอรช่สกญาณ น, นั้นเป็นผัสสะประิยญาณใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกญาณมีเวทนาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นอารมณ์มีอนตตปะเป็นอารมณ์ไม่ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณใช่ไหมปอรอใช่สกญาณ น, นั้นเป็นอนุตตปะปริยญาณใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น438ปอรทอ่านไม่ยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีทำอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกใช่ ปรเป็นเจโตปริยายานมิใช่หรือสอกอใช่ปอรอหากเป็นเจโตปริยายานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเจโตปริยายานมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์จิตตารมณกถาจบ8อนาคตายานกถาว่าด้วยอนาคตายาน4ี่สามสิก้าสก อนาคตญานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกอนาคตยานนั้นรู้อนาคตได้โดยมูลโดยเหตุโดยแหล่งกําเนิดโดยต้นกําเนิดโดยบ่อเกิดโดยสมุธานโดยเหตุเครื่องหล่อเลี้ยงโดยอารมณ์โดยปัจจัยโดยสมุทัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอนาคตญานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สอก อ, อนาคตญาณ น, นั้นรู้ความเป็นเหตุปัจจัยความเป็นอรมณะปัจจัยความเป็นอธิปติปัจจัยความเป็นอนันตระปัจจัยความเป็นสมานันตระปัจจัยที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อนาคตญาณมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกโคตรภูบุคคลมียานในโสดาปฏิมักใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลมียาในโสดาปฏิผลใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกธาคามิผลอนนาคามิผล์อรหัตผลมียาในอรหัตผลใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น440ปอร์ ท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตยานมีอยู่ใช่ไหมสอกอใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์อันตรายสามอย่างคือหนึ่งอันตรายจากไฟสองอันตรายจากน้ํามอันตรายจากการแตกความสามัคคีจากมีแขกกรุงปตาตลีบุตรมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้น อนาคตญาณจึงมีอยู่อนาคตญาณกถาจบเกปัจจุปันญาณกถาว่าด้วยปัจจุบันญาณซี่ร้อยสี่สิบเอ็ดสกปัจจุบันญาณมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลรู้ญาณ น, นั้นได้ด้วยปัจจุบันญาณ น, นั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลรู้ยานนั้นได้ด้วยปัจจุบันนานนั้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลรู้ยานนั้นว่าเป็นยานได้ด้วยปัจจุบันนยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรู้ยานนั้นว่าเป็นยานได้ด้วยปัจจุบันนยานนั้นใช่ไหมปรใช่สกยานนั้นเป็นอารมณ์ของปัจจุบันนยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกญาณนั้นเป็นอารมณ์ของปัจจุบัญญาณนั้นใช่ไหมปรใช่สกถูกต้องภาษะนั้นด้วยภาษะนั้นสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้นจำสัญญานั้นด้วยสัญญานั้นจงใจเจตนานั้นด้วยเจตนานั้นคิดจิตนั้นด้วยจิตนั้นตรึกวิตกนั้นด้วยวิตกนั้นตรองวิจารณ์นั้นด้วยวิจารณนั้นเออบิมปิตินั้นด้วยปิตินั้น ระลึกสตินั้นด้วยสตินั้นรู้ชัดปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นตัดดาบนั้นด้วยดาบนั้นทาขวานนั้นด้วยขวานนั้นถากผึ่งนั้นด้วยผึ่งนั้นถามีดนั้นด้วยมีดนั้นเย็บเข็มนั้นด้วยเข็มนั้นลูบคลำปลายนิ้วมือนั้นด้วยปลายนิ้วมือนั้นลูบคลำปลายจมูกนั้นด้วยปลายจมูกนั้นลูบคลำกระหมอมนั้นด้วยกระมอมนั้นล้งพูดนั้นด้วยคูดนั้น ล้างมูดนั้นด้วยมูดนั้นล้างน้ำลายนั้นด้วยน้ำลายนั้นล้างน้ำหนองนั้นด้วยน้ำหนองนั้นล้างเลือดนั้นด้วยเลือดนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๔๐๔ปรท่านไม่ยอมรับว่าปัจจุบันนามมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรเมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้ว ก็เป็นอันเห็นญาณ น, นั้นโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากเมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นญาณ น, นั้นโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าปัจจุปนัญญาณมีอยู่ปัจจุปนัญญาณกถาจบสบิผลละญาณปถา ว่าด้วยผลละยาน443สกพระสาวกมีผลละยานใช่ไหมปอรอใช่สกพระสาวกกาหนดผลอันเป็นคุณสมบัติของตนได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสาวกมีผลละยานใช่ไหมปอรอใช่สกการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งผล การรู <necessary. S 2> ้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งบุคคลของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสาวกมีผลยาณใช่ไหมปรใช่สกการบัญญัติขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีบุคคลของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระสาวกมีผลญาณใช่ไหมปรใช่สกพระสาวกเป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญยูเป็นพระสัพพัทสาวีเป็นพระธรรมสามีเป็นพระธรรมปฏิสารณะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมปรใช่สก พระสาวกเป็นผู้ยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นให้กำเนิดแสม่มักที่ยังไม่มีผู้ให้กำเนิดเป็นผู้บอกมักที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้รู้มักเข้าใจมักฉลาดในมักใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น444ปร์ท่านไม่ยอมรับว่าพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมสกใช่ปอรพระสาวกเป็นผู้ไม่มีญาณใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอดังนั้นพระสาวกจึงมีผลญาณผลญาณนกาถาจบปัญจมวจัวคจบรวมคาถาที่มีในวักนี้คือ .1. วิมุตติกคาถา .2. อเศขายขญานกาถา .3. วิปริตะกถา .4. นิยามกถา .5. ปฏิสัมพิทากาถา 6. สมุติญานกถาเจิตารมณกถา 8. อนาคตายานกถา 9. ปัจจุป น, นายานักขา 10. ผลยานักถามหาปัญ น, นาจบรวมวักที่มีในมหาปัญ น, นานี้คือวักที่หนึ่งเริ่มด้วยปุคละกถาวักที่สองเริ่มด้วยปรูปหารหกขา วรที่สามเริ่มด้วยพละกาถาวรที่สี่เริ่มด้วยชิหิสะอรหาติกาถาวรที่ห้าเริ่มด้วยวิมุตติกาถา